บอกว่เาเราในรักษาจะให้มันสงบมันสบายแต่มันข น, นทุกข์ขนภัยเดือดการสงใจไปจิดขอ้องก้งเรื่องภายนอกมารยน้องทาเข้ามาพิจารณาต้องลาใจใจมันจะสะอาดท่องใสอย่างไรหน้าวันที่จะหมดนิดปิดบังด้ืยไปเพราะภายเยนไม่ทำจิตการงานหนักเหมือนครรยา มีใจฉันแล้วก็หลับนอนกันสู่คุยกันในเรื่องกิเลสาณากถาเรื่องกิเลสปัญหาต่างๆราคะปัญหาแม่งก็กําลังเพราะมันเลยมีควาเหนื่อยเหนื่อยหูมีแต่กินแต่นอนมีแต่เล่นเสพกิเลสของจิตของใจกายแตมีกําลังใจแตมีกําลัง ทางช่วทางเสียจะเลยรนะบบใหญ่หาความสุขในเพศในธรรมในในด้เมื่อเป็นอย่างนั้นจะเลยสงสัยวา่าเราไม่มีอานาจราชนาต่เราไม่มทาอานาจราชนา่าชน า, นานจะเกิดมาอย่างไรพี่ที่ท่านมีอานาจราชนาท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างท่านนอบกายถายชีวิตต่อ พ, พระพุ Adobe, ทธพระธรรมพระสศวตจริงจริงงจังตั้งหน้าประพุทธปฏิบัติยังเห็นรู้ในเห็นในใปวันนี้วันหน้าเราจะทำให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เห็นเราไม่ทำไม่มีใครที่จะทำให้ท่านอมใจทั้งท่านอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาตั้งหน้าต่างๆรักษาตั้งหน้าต่างตาร่ำละกิเลสอารมณ์สัญญาผิดผ่านมา ตัดออกไปทิ้งออกไปไม่ใช่ทางทำด้ในในสทางที่จะทำใจให้บริสุทธิ์ท่านจะต้องรู้เรื่องของท่านตลอดวันตลอดเวลาอยุ่ฝึกมาเบื่อมาศึกษานประเพศ่ปฏิบัติเพื่อความดีของตัวถ้าตัวดีรู้เห็นทำดีในเห็นช สถานทู่ใดเย็นคนอื่นจะเดือดร้อนเลื่นวายที่วโลกนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เรามาได้เป็นอย่างนั้นเขาร้องให้เสียใจแทนที่เราจะเป็นไปอย่างเขาเราก็หักดูแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปจากจิตที่จิตถือข้องถือเศร้าถืองหมอถือ้ากเรื่องของจ worry, ิตตัวเองทำเป็นจริงจิตเิ็นเล็กเป็นตัวแบบนั้น เดือดรนก็วนก็วาเดืยดร้อนว้อนให้ล้ำพันถ้าเห็นตามเป็นจริงเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะมีความสงบแล้วนับดาบเรื่องคิดจริงต่างๆของเขาได้แล้วทราบคืหัวเราะเพลเพลเพลเพลอะไรเพลเพลไปตามการอารมณต่างๆก็เพราะจิตเขาเขาหลงถืว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูก เป็นของเสียสดงั้นไงไม่ได้ทราบความจริงของมันว่าระจีบเงินอย่างไรเป็นของขอที่ไร้ค่าอย่างไรไม่ได้คิดคิดพิจัย น, นาดูก็เลยเกิดความอยากได้เกิดความกำหนัดยินดีถ้าหากคิดวิจันาดูเรื่องขอทงทำจริงจังคนดูทำเห็นทำไม่เป็นอย่างนั้นใน กำหนับในยินดีในติดข้องเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นธาตุไม่ใช่เป็นคนเป็นสัตว์มันเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของสวยงามความในหลงในสิทอย่างเดียวเรยเป็นสุขเป็นเสพิเศษถ้าเหลงแล้วก็จมีวันที่จะเป็นสุขได้ไปสถานที่ใดจะมีแต่หลงเรือยไป เราในต่างหน้าต่างตาทำร้าใจในต่างหน้าต่างตาทำก้อมเพียนั่นไม่มีใครที่จะทำให้ไม่มีอะไรที่จะพึ่อจะอาศัยมีแต่เป็นภัยต่อวัดต่อวาต่อศาสนาต่อตัวเองอยู่อย่างนั้นโรคของกายในมือหน้านะก็ย่อมเป็นทุกข์มาก เดินเหินไม่ได้นั่งนอนไม่สบายโวกของใจก็ทํานองเดียวกันโวกของใจเพลินใหญ่ก็คือโลกของกิเลสปัญหาโลกภายในแตาเราเนี่ยสำละสัจางเดียวทำของพระพุทธเจ้าไม่มี้างยาอะไร คือจะมารักษาใจให้หายจากกิเลสตัณหาในนี้นอกจากสติปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าคนนั้นดว ง, งตาตาต่างๆาที่นึพิจารณาปัา้งาต่างๆแม่สอนตัวเองในนี้ภัยอันตรายอะไ ร, ใ น, รในวัดในวาเรียบสงดัดสงบภายนอกมืใจใจอย่างเดียวคือมันคิดมันตึงมันติดมันค่วง มันคิดมันเป็นมาแบบนี้อย่างนี้เราเคยเชื่อมันติดตามมันเป็นระยะยาวนานความสงบภายในความเกิดอัศจีจั์ในใจที่อะไรถ้าเราติดข้องเถื่อน ม, มัวเมาตามราคาตัญหาอย่างนี้สับวิราฉานมัน็มีนกั น, นในลาอายมันลึก ท, ทั้งทั้งที่มีผู้คนมาสักการะบูชากราบไหว ถือเาเป็นพะเป็นเมนุแต่ราคากันหายังเป็นเมตใจของเราอยู่อย่างนี้แล้วเลยใส่คนดีวิเศษที่จะให้โชคมาการาบมาว่ว้หรือมนาะหลงแต่เพศแต่เราเป็นพระเป็นเมรุเท่านั้นที่มิจเจมาหาทางำํำระแนะสอนตัวเองในอย่างนั้นก็หลงเรื่อยไป คนหลงไม่ใช่คนดีคนไม่หลงนั่นแหละพระพุทธเจ้าเคยเจอว่าเป็นคนดีเสื่อนหลงเรื่องถนนทางเร่องต่างๆนานามันหลงไปได้เพราะถึงใดทางใดที่เราไม่เคยไปเสื่อนหลงภายในคือใจคือไปหลงผิดข้องสมมุติต่างๆทำละได้ เยธรรมะของพุทธเจ้าก็จิดเกาะอาศัยลุ่มหลงในที่ใดเรามีปติสืบสอบมีเห็นได้และหาทางสัมละมันมันผิดอะไรกันโดยเสื่อมใหญ่ถ้าเน้นที่อยู่ในวัดในวานในบ้านก็เพราะความมากใหญ่ไฟสูงทำลุ่มหลง แต่จึงว่าอันตรายของพิษสุสามเณรผู้บวชใหม่มีอยู่ห้าประการคือตนต้อคคำแนะนำาต่งสอนของผู้ได้แจ้งไว้ได้ขี่เกียดทํากตามอย่าไปทาตามเรื่อี่เกียรของตนทําได้ถึงจะยากลำบากขนาดไหนหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินอาบเหยื่อตางน้ำนั้นก็สู่ได้ ถ่าไปในทางที่เลสปัญหาจะมาเดินจก่มภาวนาลมเงามีะเะดวกสบายนั่งภาวนาในมือม ม, มมีรีบมือเย็อะไรมนาะลบวนมันก็ไม่อยากทานี่คือคนเชื่อเในก่เลสปัญหาในเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเย็นดูหนังฟังเพลงไปนั่งดูการล่มหัรัศต่างๆหนาวเนขนาดไหน เราซื้อได้เหนื่ยเหนืนน่อยเหนือหขนาดไหนก็ไปกำพึงลำพันหาแต่มาเดินยกบนภาวนายุทธที่ปลอดภัยเสบียกกายะเะบียงใจทําไมไม่เอาฐานให้ก็คูดบังคับมันถ้าหากไม่ขูยบังคับมันต่อให้มันฝ <c oughs> ุกมันดึงมันลากเราไปนั่งนิกหน่อยก่อนกว่านานแล้วเดินนิดหน่อยกว่าเหนือยแล อย่างนั้นไม่มีวันที่จะชำระจิตใจของตนได้นักบวชนักต่อสู้นักบวชต้องมีความอดทนนักบวชต้องเป็นคนกินกินแต่เห็นธรรมะได้แต่เราได้เชื่อเรื่องของราคาตันหาต่างๆนานาเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นความสุขุละเอียด เป็นความเลื่อยยุ่ยใส่นก็อยู่เป็นภาพเป็นเมาไม่ได้เป็นอันตารายต่อการต่อพืชปฏิบัติเป็นอันตารายต่อเพศของสมวจันทร์งกําจัดป่าตอมันออกไปความคิดนึกติดข้องอย่างนั้นสองเหงื่อตาเจ้เจท้องทนความอวดอยากไม่ได้อยากอะไรก็อยากดึกดื่น เรื่อยไปทั้งทั้งคือคนที่กินอยู่ตลอดวันตลอดเวลาในเลือเรามันก็มาเห็นมันอ้วกมันโตถกช้างมันเพียงแค่นั้นนหละยินมากเท่าไรจะเป็นภาระยุ่งเหยิงเท่านั้นแสวงหามาไม่ได้ตัวเกเงินหยิบในจิตในใจของตนถ้าอบเอาบ้างทนเอาบ้างคนอื่นเขาเยือได้เขาไม่ตายคือเอาตารย์พระพุทธเจ้า ท่านสะดวกสบายเมื่อไรท่านปฏิบัติใหม่ๆใช้มีวยศรัทธานําของไปถวายท่านงหน้าตั้งตาแต่เพื่อปฏิบัติจริงจังท่านทาไมยังเหลืออยู่ได้ทำด้วยนายมาประกาศสอนเลกเราทําไมมันจะตายแต่แต่ตัวของเราเองคนจิตคนใจทั้งตนอดทนต่อสู้อย่าไปเห็นเสียตาแจ้ท้อง หาปเห็นอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นอันตรายแกเพียร์เพียร์ที่สื่อสามะเนยท่านจึงสอนท่านจึงบอกว่าเป็นอันตรายในใจของดีของดีความคิดความปรุงแบบนั้นขอเพียรสามอันตรายท่านเก่าไว้ เป็นอันตรายแก่กายแก่ใจของนักบวชก็คืออยากในความสุขยินยื่งขึ้นไปต้องการความสุขทางกายอารมณ์ต่างๆที่วการอยู่ในวัดในวังเป็นภาพเป็นเงินใน่สุขไม่สบายอยากมีอยากฟังอยากจูบอยากกอดก็ไม่ได้ เพราะผิดศีทของตัวโดยที่ว่าการไปทำอย่างนั้นเป็นความสุขความสบายเป็นความดีความรู้เศกถ้ามันดีวิวเศษอย่างนั้นสัตว์ยุราฉันที่มันเสพมันเกีย่ยวข่องในเรื่องเหล่านั้นมันก็วิเศษกว่าเศษยิ่งต่อพากว่าเงินผู้รักษาค่มขี้เดลียดของตัวเอาไว้ทําไมเขาไมาไปทําบุญพุ้งทางกับสัตวิยุราฉันซึ่งนั้นมันมี ขอบมีเขีดมีฝั่งมีฝาอยากจะทําอะไรก็ทําไปตามเรื่องของมันคนผิตใจจิตใจไหลไปตามเรื่องราคากัญหาอย่างนั้นยิ่ง่ใช่พูดวิศเศษพูดประเสดอะไรแต่ถ้าปล่อยไปมากเข้ากว่าเป็นอันตรายแก่เราเองเสือพวงเราเองจะอยู่ในเพีพื่อไมจังเพื่อหนักบวชไม่ได้เป็นอนท า, เ ป, าเป็นเมืองไม่ได้ผลพีสูจน์กว่าตกไปสู่ ฆราวาสเพียรต่ำชาลามบกตัวของตัวเองโวยยิ่งอยากลําบากเพราใจทของตัวเองเป็นคิดไปต่างๆนานะเขาเจอว่าไปเป็นคราวาอยากดูอยากชมอะไรก็สะดวกกายสบายใจยิงนี่ยคิดอยู่เลยว่า เมืออกไปจริงจังเขามีความสุขความสบายที่ไหนเห็นไหมเขามีความสุขความสบายมากกว่าท่ากับเน้นไหมท้านทั้งสิทธิ์เขาเป็นฆราวาสแต่วันเกิดจนอายุแปดสิบเก้าสิบปีเราเห็นกันไม่มีใครที่จะมีความสุขความสบายที่ไหนมีแต่ทุกข์แต่เดือดร้อนหงุดหงิดมีลูกกัทุกข์เพราะลูกมีหลานกัทุกข์เพราะหลานมีบ้านมีช่อง ก็ทุกข้อบานเพราะชองนิ้วเขานิ้วของก็ทุกข้อการเกี่ยวข้องยึดถือรักษานี่คือคนหลงคนหนึ่มีปัญญาคนหนึ่งมีธรรมะของพระพุทธเจ้าก็สี่แต่รักคู้หญิงก็อันเดียวกันนี่คืออันตรายของนักบวชถ้าผู้หญิงก็รักผู้ชายตรงกันข้าม เหตุเสื่อะที่ชอบใจที่กำหนดยินดีก็เพราะมันมีธรรมะถ้าพิจารณาแยกแยะกายที่เสื่ออยู่สม่ำเสมอมันจะไปหลงที่ไหนอะไรมันเสื่อมันงามควักออกมาดูลูกตาเสื่อไหมลืีนตัดออกมาดูเสื่อไหมฟันถอนออกมาดูมาดมมันหอมไหมอะไรมันเสวยออยู่ในนี้ แต่ยังมีลมหายใจที่เหน็บหลอกลวงกว่าผีอย่างงามอย่างนั้นอย่านี้พอทายไปบนลมแถานั้นจะให้อยู่เข้ากันกอดกันได้ไหกลัวผีผีที่ไหนตัวผีที่พูดอยู่นี่นั่งอยู่เนี่ยตัวผีหรือจะเป็นอื่นพอบนลมกว่าผีท่านทดูทุกสิ่งทุกอย่างมันมีลมอยู่กว่าคืออันนี้เมื่อมันบนลมไปกว่าผีไป ทำไมมันเป็นแบบนั <min preparation features LIAM wear> ้นจิตใจทำไมมันสำคัญผิดแบบนั้นก็อันเดียวกันเนี่ยไม่ใช่อันอื่นแต่มันริ่มมันเหลงมันเหนื่อยพุทธิเจนะท่าพุทธิเจนาจริงจังเข้าใจจริงจังเรื่อจิตของตนแล้วไม่มีทางสงสัยมันมีอะไรถึงจะมาเหยืยวยุไม่มีอะไรถึงจะมาหลอคืูเพราะความจริงเป็นอย่างไรเข้าใจชาติอย่างนั้นมันก็เลยหมดปัญหาในการ ติดข้องในการเสงใสัยนี่คือการประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจของตนเมื่อเกิดมาใจมันดีมีคุณค่าประเศษวิเศษเราต้องหวีดไล่กิเลสต้องหวีดประพฤติปฏิบัติทำด้วยในมีการข่มใจมีการชาระซักซอกใจของตนเพราใจสงบสงบเชื่อมอมาตอนไหนจะไร ไม่อาศัยการชำระซักพอกมันไม่สะอาดเน่ไม่สะอาดมันก็ส่งกลิ่นเสยเตียงของตัวเองจะอยู่ก็ไม่จะเดือดจะไปก็ไม่สบายเพราไม่สะอาดที่ไม่สะอาดจะนั่งมันก็ไม่สบายไม่อยากนั่งจะนอนมันก็ไม่สบายไม่อยากนอนเพราะมันไม่สะอาดยิบไม่สะอาดกวเหนั้นกัน ผ่าเท้าับสะอาจแล้วยังมยอมหนึ่งหม่มหรือหนึ่งห่มก็ไม่สะดวกสบายมีใจในสะอาจทำไมเหนื่อยชำระใจตัองตูกคิดวิจเยนาหาทางำํำระแก่ไขอย่าให้มันโศกโศกโสมมเพราะใจเป็นเครื่องชำระสักฟอกได้ถ้าซักฟอกไม่ได้จะมีใครที่จะดีวีเสษได้พระพุทธเจ้าไม่มี ชาวโลกของพุทธเจ้าจเลยนี้เพราะซักสอบไม่ได้จิตใจเหมือนกันกับพวกเราท่านธรรมดามิ่งท่านเป็นอย่างนั้นท่านเคยําระมาแล้วสําระโดยอะไรสําระโดยทำทำคืออะไรคือสติคือปัญญาคือศรัทธาความเขียนเพ่งทีนี้ที่เจนาเข้ามาภายในทำคือกายคือใจของเราบุปผะทำนำมามะทำ พิจยนาให้เห็นตามเป็นจริงใจงจะสงบใจจะเชื่อจใจจะยอมจำนนจใจจะพ้นป่าที่เละถ้าหากพิณพิจนาอันนี้อยู่เป็นหมืน่นปีแสนปีไปนี่ครับที่ใจจะสะอาดใจจะผ่องใสใจจะบริสุทธิ์เรามาเพืพ่อปฏิบัติมาบวชต้องเป็นคนอดทนเข็ญแข็ง มีสติปัญญารักษาตัวของตัวเมื่ออย่างนั้นมันมีวันที่จะดีวิเศษได้ถ้าเห็นแก่ความมักง่ายที่เกียวต่างๆสอนตัวของตัวทุกอย่างมันเช่นเดิมที่อยู่ที่อาศัยเพียงหนึ่งเพียงหุ่น มีแ ต, ต, ต, ต่ตั้งหน้าต่างตาละจุดเด็ดปัญหาตังหน้าต่างตารักษาจิตของตนไม่ให้ลืมหลงในอารมณ์ภายในภายนอกมันทําไมจะทำเลยได้หาตั้งหน้าต่างตาจะทําจริงมีแต่ตั้งหน้าต่างต า, งตง า, ตงตาอ ย, กยากจะพิจารณาภายในวันผ่านไปคืนผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปก็ไม่ทราบว่าวได้อะไรเพียงจต่ อยู่ในวัดได้แถวนั้นมันเนยแตกอะไรกับสัตว์ที่มาอาสวะวัดพรจิตใจในเกิดปัญญาตายาอะไรให้มีโทษของการใน ป, ฏ, ปฏิบัติโทษของการในรักษาในพิจารณาตัวพยายามสอนเตียวพยายามฝึกตัวมันจะตายไปเพราะความขากความเพียรมันจะตายไปเพราะ ควาอดความทนให้มันตายไปพิจารณาให้มันรือมันเห็นคนทหารตายในสงครามเขาถือว่าทหารดีเราเป็นนักรบยี่เหล่เขาเป็นนักรบขาดฝึกไพ่นกยี่เหล่มันจะตั้งตรงเป็นกองทำมาจากที่ไหนเราจะซื้อลบไม่ชนะไม่ยอม ตายก็เตตายในองครามนี่คือปางนาปางชาไปเพื่อปฏิบัติปางนาตางาไปเพื่อปฏิบัติอย่างนั้นถิ่นจึงเป็นสุปฏิปันโนอุสุญาะตานุจิตหากหล่อแหละเหนื่อยในเอาทานผมเจลับเจนอนเจออยู่จอจิมเจพูดเจคกันต่างๆในปางนาปางาที่เจนาภายใน มันไม่มีอะไราศาสนาะวัดพระเมรนก็เพียงแต่ชื่อไม่มีอะไรดีวิเศษข้างเราห้องตัวเองก็ไม่เห็นความวิเศษในตัวถูกอะไรกบเอาไว้หมดความสว่างสวค ว, งสสสความส่องใสสงบสุกไม่มีมีแต่วความโผลกโผลโก ความส่้หมองเดือดร้อนคุณนมัวอยู่ในจิตในใจมันดีวิเศษหรืออย่างนี้ถ้ามันเมยดมีในในธรรมะที่มิจเจนาหาทางสอนใจรือเลี่ยงแกะไขเพราะวันคืนปีเดียนที่ผ่านไปชีวิตของเราก็หมดไปหมดไปผลที่สุดกว่าตายไ้เปล่าเป็นโมฆะ ถ้ะโมคคะเนโมคคะพระเป่า เ, าเนรเป่าไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษขึ้นให้หนอกจากีิเลสปัญหาจะทับผมกายใจทองตัวสมควรหรืหรือนักบวชที่จะยอมให้กิเลสปัญหามานะตุิิทับผมเต็มจีจิตใจของตนถ้าหากนหุกสิทธิของพระพุทธเจ้ า, จาท่านสู้อย่างไร ท่านอดทนอย่างไรท่านเอาอาวุธอะไรมาสั่งหารทาไมเนี่ยพี่นุ้พี่เจย์ามาหามารักษาตัวเป็นฤกษิษพระพุทธเจ้าเปวนฤกษิษเทวทาพฤกษกสิษย์ของมาเหตทยเจย์ามาจะมาภายในหากคนใดมั่นพี่นุ้พิเจยรณาศึกษามีสติปัญญาเนี่ยสอนตนเรื่องความผาดความเพียน ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนังนอนคนนั้นแหละในวันใดแต่วันหนึ่งจะรู้เห็นธาเนียนของตัวได้เห็นธรรมะของพุทธเจ้าได้อัศจรในธรรมะในจิตในใจของตนที่ประพติปฏิบัติมีความเนยุกเย็นสงบสุขทุกอืยาบว หนูคือผู้ต่างหนาต่างตาศึกษาประพฤตปฏิบัติทำดีนในของพระพุทธเจ้าเป็นอนิสงเด่นชัดภายในตัวคงตัวเป็นปัจจัดตังเป็นสันทิปทโกเป็นอาการ ก, กูไม่มีการสถานที่ทำดีนในของพระเจ้าสอนกายสอนใจยอย่างนี้มันจะไปสอนบุคคลผู้ใดสอนว่าเราท่าน คือที่เด่นปัญหาเท่านั้นจะชำระสาสางคือหมดไปแล้วธรรมะไม่มีคุณค่าพระไรอะไรกับท่านเหมือนกันกับคนที่มัมีโรคยาจะมีน้าเท่าไรคนมันมีปัญหาเพรายาเขบทําขึ้นเพื่อกำจัดรักษาโรคใครแถวนั้นคนมันมีโรคจึงมีอะไรที่จะจําเป็นกับยา คนถิ่นมีธรรมะคนถิ่นหมดเกิดจากกิเลสจะมาจำตันอะไรกับธรรมะเพราะทุกอย่างทั้งสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะบกท่องในท่านเราถึงมีโรคทําไมเน่ยแสวงหายามารักษาโรคกิเลสปัญหาเนี่ยแต่ธรรมะเท่านั้นจะเยอยยาได้มันมีอะไรอื่น แต่นั pues ้นขอทุกท่านจงที่น nah ิจจะนาสอนตนวันคืนที่ผ่านไปอุสาห์พยายามทําคุณงามความดีทางกายทางใจอย่าเป็นคนประมาดอยู่เฉยสงขวอยสอนตัวคงตัวสม่ําเสมอคนนั้นจะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสี่เวลาขอหยุดพิธียงแค่นี้